จึงพบกับความสดใสเพราะ 5 กรกฎาคม ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากอ่ะนอกจากนี้ยังคุ้มเฮ้ยจริงดิทั้ง ต่อไปอ้าวชอบไป 200 ราคาถูกซื้อ 200 กับคนที่ 1186 โทรสายด่วนบัตรทอง 1330 สร้างความเข้าใจความเข้าใจ 24 ชั่วโมงเพื่อให้คนไทยกว่า 47 ล้านคนเข้าถึงข้อ สปสช. 1330 ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมส่งกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ FM 90.25 MHz ค่ะวันนี้ กาล 07:00 น. ถึง 10:00 น. 10 น, 10นของทุกวันอาทิตย์นะคะมาอยู่ในช่วงช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีนะคะวันเริ่มเป็นวันแรกค่ะก็แจ้งให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะซึ่งพบกันวันนี้ที่ 24 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557แรม 13 ค่ํา แต่แล้วสัปดาห์หน้านะ ติดตามรับฟังกัน 2 หน่วยงานค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการของ มา 2 ท่านด้วยกันนะคะกับโครงการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้รับหน้าที่โดยดิฉันราชนีนภคุณทั้ง 2 ท่านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านณรงค์แล้วก็คุณปณิธานค่ะครับสวัสดีครับคุณราชนีครับส่วนราชการนะ นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดิน 200 กว่าไร่ใช่มั้ยครับคุณกับอธิการ พื้นที่ตรงนี้ขาดการพัฒนานะครับอย่างครับซึ่งเป็นพื้นที่เอ่อบางแปลงนะครับเป็นต่าบอดใช่ไม่ใช่ ให้ให้ให้ให้พื้นที่มีคุณภาพเพิ่มใหไดไดได 80% ได้แล้วครับใช่ก็ ซึ่งไม่เป็นระบบนะครับ พ.ศ. 2547 นะครับครับผม อ่าได้รับเอ่อใช่ครับ ครับโดยโดยมีเอ่อปรับปรุงระบบโครงสร้าง ยังไงบ้างอยู่ใช่ก็ไม่เป็นระเบียบครับไม่เป็น แปลงที่ดินประมาณ 95 แปลงครับในบริเวณโครงการของครับตอนนี้ตอนนี้ อ่าอยู่ระหว่างช่วงทําอ่ารีพอร์ตติ้งใช่ครับใน กับการจัดรูปที่ดินนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาใน ที่ไม่พอจากรัฐบาลนั้นก็จะ อ่าก็สร้างสวนสาธารณะแล้วก็นําไปเป็นอ่าระบบทําเป็นระบบระบายน้ําครับรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่สําหรับไว้เพื่อขายเพื่อนําเงินมา เอ่อแรกเลยคืออ่าการเวรคืนเนี่ยส่วนใหญ่เอ่อพื้นที่ที่จะได้รับผลประโยชน์คือพื้นที่ที่อ่า นundat plan เนี่ยที่ดินตาบอดก็ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะของการจัดรูปเนี่ยที่ดินทุกแปลงเนี่ยจะได้นํามาจัดรูปแบบแปลงใหม่และทุกแปลงเนี่ย ครับตอนนี้พื้นที่เป้าหมายของจังหวัด ทางเลี่ยงเมืองไบพาสลักษณะของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวกลับครับถูกว่าครับผมอืมซึ่งในการกําหนดกรอบพื้นที่เป้าหมายเนี่ยคือในในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ได้กระทบสิทธิ์อ่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของพี่น้องประชาชนในบริเวณเพราะว่าเป็นเราเป็นการกําหนด พื้นที่ที่เรากําหนดเนี่ยพื้นที่เป้าหมายครับอ๋อครับพื้นที่ทุกทุกแปลงนี่ก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน เอ่อคําของเจ้าหน้าที่จากกรมโยธานี่ก็จะได้เข้าใจนะ ก็ก็จะประกอบไปด้วยโครง 3 โครงการนะครับผมในใน 30 เมตรระยะ 841 เมตร และอีกถนนที่เป็นถนนถนนขนาดทาง 9 เมตรนะเป็นอ่าเรามีอ่าถนนถนนสายรองเป็นในการเปิดพื้น 2,400 เมตรครับก็คือส่วนสาธารณะซึ่งเรากําหนดไว้ 5 ไร่เศษครับผม ผังที่ชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะครับว่าเอ่อพื้นที่ที่เราอ่าจัด ครับ 9 รายตอนนี้เราก็ยังพยายามครับในส่วนนี้ครับผมก็ตอนนี้เอ่อทางสมออนุยุทธาธิการและพังเมืองนะครับครับครับเป็นเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับทางรู้สึกว่าทาง สำหรับ 50 ล้านนี่มาทําถนนข้างในครับมาทําถนนข้างในครับที่ทางเจ้าของพื้นที่นี้ก็ยังไม่ต้องเอ่อออกอะไรใช่ครับแต่ในส่วนของในส่วนของที่จะมาอ่าเป็นระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพิ่มเติมเนี่ยมีส่วนของพื้นจัดหาประโยชน์นะครับเป็นโครงการที่สําหรับอ่าพี่น้องในจังหวัดนครพนมครับซึ่งคือถ้าโครงการตรงประสบผลสําเร็จนะครับมีอีกโครง ต่อไปใช่ครับผมเตรียมเตรียมท่านคุณ จะไม่มีถนนเข้านะครับซึ่งได้รับการพัฒนาแล้วมูลค่าของที่ดินก็มีเอ่อแปลงทุก เอ่อเป็นรูปทรายทรงเป็นรูปเส้น คือปัญหาการระบายน้ําดรนพื้นที่นั้นก็จะได้รับจะจะได้รับ มีความสวยงามน่าอยู่นะครับผมอ่ามีความสวยงามน่าอยู่นะครับผมแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการรอง นะครับใช่ครับที่อยู่อาศัยมีจํานวนจํากัด 10 จังหวัด ใช่ 10 จังหวัดนะ 1 ใน 10 ตัวนั้นนะครับ 2 ที่ 3 ก็จะตามมา พี่ซึ่งเอ่อพี่น้องเอ่อที่ร่วมโครงการประมาณ <uc> 50 51 ท่าน <c oughs> เอ่อมาได้รับฟังครับผมครับก็แนะนําเสนอคณะกรรมการจัดรูปเอ่อ ก็อยู่ๆท่านนะครับนะเช่นนางอัจฉราบ้างที่ว่างบ้างนะอ่ากรมยุทธหาชี้แจงแล้วยังยังไม่ ทางลูกมาฟังใช่นะครับก็พอเข้าพอเข้าใจแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการอ๋อทําความเข้าใจร่วมกันนะครับผมคือคือแรกๆเนี่ย ครับผมก็ก็ก็เห็นใจทางพี่น้องประชา โครงการของจังหวัดนครพนมซึ่งท่าน จากเปิด AEC แล้วก็จะอ่าเป็นเมืองที่อันดับ อยากจะมาอ่าพูดให้กับพี่น้องก็อยากให้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินอยู่นะครับซึ่งค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน หนองกระตึกนะคะอําเภอเมืองชาวในพื้นที่นี้ก็คงจะได้รับคือถ้าดําเนินการ มีประโยชน์เต็มที่นะคะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะผู้ที่เข้าจังหวัดนครพนมกับการ นายสุรพลแก้วอินทินะคะพักกันครู่นึงค่ะพี่ แสดงส่ง แต่ใกล้ ฟังความดีฟัง <San> <San> ส่วน 2 ของรายการ 9:10 น. น. น. น. นะคะ 2 ค่ะพบกับท่านสุรพลแก้วอินทิหัว กองทุนแม่ของนครนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะพบกับคุณสุรพลเกษลขาสวัสดีค่ะคุณ ปีนี้นครพนมฝนดีนะครับ ส่งเสริมการพัฒนาประชชนนะครับนําข่าวดีๆมาบอกกับพี่น้องชาวนครพนมของเรานะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินของในปี 2557 นะครับก็อยากๆสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเอ่อปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญซึ่งเป็นบ่อนทําลายการพัฒนาประเทศแล้วก็ คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับท่านได้เห็นความสําคัญนะครับและทรงมี เป็นเงินพระราชทานซึ่งในจังหวัดนครมนทมเราก็ 233 หมู่บ้าน 8,000 บาทนี้ก็เป็นเงินพระราชทานที่เป็นเงินสมทบ คงก้าวถวายท่านอ่าในช่วงปี 2540 นะครับแต่สมเด็จท่านไม่ 8,000 บาทแล้ว 20,000 บาทนะครับ ทุนอีกทุนหนึ่งที่เรียกว่าทุนปัญญานะครับทุนปัญญาเป็นเงินกองทุนที่หมู่บ้านชุมชน หารายได้สมทบ 12 สิงหาคมนะครับเอ่อซึ่งปีนี้นี่ก็จะ เพียงแต่แจ้งยอดมาที่จังหวัดว่าเราได้มีการมีรายได้ ของแผ่นดินของจังหวัดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา โดยกำหนดให้ชุมชนกองทุนแม่ๆเช่นใน 12 สิงหาคมกิจกรรมระดมๆตามความ กองทุนแม่ของภดิน ซึ่งในการทอดพระป่าดังกล่าวนี้นะครับเราก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาศนะครับผู้บังคับการ ข้าราชการข้าราชการนะครับพี่น้องประชาชนพ่อค้านะครับ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องแรก สมานฉันท์เอื้ออาทรออนซอนนครพนมนะครับเอ่อซึ่งตอนหลายๆท่านก็อาจจะวันนี้ก็ ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจการปกครอง เราเป็นหนึ่งเดียว นะครับที่เราเรียกกันว่ากอรบณนะครับจัดทําโครง ก็เกิดความสามัคคีปองดองสามัณชาญเอื้ออทรต่อกันนะครับและเป็นการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานสร้างความสุขของคนจังหวัดนครมนุม 5 ประเภท ชักกเย่อ 15 คนนะครับทีมหญิง 15 คนเรือบกทีมชาย 5 คนทีม แก่งเชือกเนี่ยนะครับ 2 ข้างอีกข้างละคนเป็นรวมเป็นผู้แข่งขันทั้ง เมื่อได้ตัวแทนของนักกีฬาในแต่ละหมู่บ้านแล้ว 97 ตําบลในเขตชนบท 147 หมู่ชุมชนนะครับหม 1123 หมู่บ้าน 24 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะครับเมื่อแข่ง ซึ่งทราบว่าตอนนี้นี่ในหลายๆอําเภอก็กําลัง 8 สิงหาคมสิงหาคมที่จะ รวมใจไทยนครพนมเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเอ่อเฉลิมเพื่อให้เกิด นะครับบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้รัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ออกมาแล้วนะครับบาง เราได้ออกกําลังกายสร้างเสริมสุขภาพว่าการเป็นกีฬาต้องอาศัยความร่วม ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ขออนุญาตเชิญต้นๆนะครับ 2557 นะครับนอก ในการทำบุญนะครับบุญที่จะเกิดขึ้นนั้นนอกจากเราเพราะว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินนี้เป็น นะครับขอเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับได้มีส่วนร่วมในการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาทนะครับที่ท่านให้โอกาสสํานักงานร่วมชนได้ <c oughs> ก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นตัวแทนจากทาง <c oughs> ทอดผ้าป่ากอง 12 สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีพิธี เริ่มจัดมา 8 สิงหาคมนี้นะ ของพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมค่ะเป็นกีฬาพื้น และส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในราย น. ถึง 10:00 น. น, นทางสถานี 10 10 FM 90.25 MHz